ส่วนปัญหาอันสุดท้ายเนี่ยนะก็เป็นปัญหาที่เข้ามาก็แม่ก็ก็ก็กยังรับฟังไปก่อนนะนะก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่พระเจ้ามิลินถามว่าพระคนเจ้าพระอาทิตย์นี้ส่งแสงแรงกล้าอยู่ตลอดการทั้งปวงหรือหรือว่าบางคราวก็ส่งแสงอ่อนบ้างเออนี้เข้าใจนะเข้าใจบอกว่าขอถวายพระพรมหาบาพิตรพระอาทิตย์นี้ส่งแสงแรงกล้าตลอดการทั้งปวงในการไห น, นๆก็ไม่เคย ส่งแสงอ่อนคือคือค่าที่มันส่งเนี่ยค่อนข้างปกตินะค่าของดวงอาทิตย์ที่ส่งมาในโลกอ่ะพระคุณเจ้าถ้าหากว่าเพราะดวงอาทิตย์เนี่ยนะส่งแสงแรงกล้าอยู่ตลอดการทั้งปวงสายเพราะเหตุไรในการบางคราวก็ส่งแสงแรงกล้าในการบางคราวก็อ่อนทําไมบางครั้งก็ร้อนบางครั้งก็ไม่ร้อนอ่ะนะ ขอถวายพระพรดวงอาทิตย์นี่มีโรคอยู่สอย่างเหล่านี้แลนะวิธีการแนะนำท่านไม่ไม่ไมนะ่ไม่ยากก็แนะนาง่ายๆบอกว่าโรคของดวงอาทิตย์เนี่ยนะไม่ใช่ว่าตัวที่ดวงอาทิตย์เนี่ยนะแต่ว่าถ้าพูดสมัยใหม่ก็อธิบายอีกแนวหนึ่งแต่ว่าสมัยก่อนที่จะให้คนเข้าใจง่ายก็บอกว่าดวงอาทิตย์นี่มีโรคอยู่สอย่างเหล่านี้พระอาทิตย์ถูกโรค อย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาโรคเหล่านั้นบีบคั้นแล้วก็ย่อมส่งแสงอ่อนไปโรคสี่อย่างบ้างคืออะไรก็คือเมฆหนาหนาเมฆหนาหนาก็เป็นโรคอย่างหนึ่งของดวงอาทิตย์ทําให้ดวงอาทิตย์ส่งแสงได้อ่อ น, นก็คือเครื่องคัน น, นะนะทำที่ให้ดวงอาทิตย์ไม่รอ้อนเลยก็คือหนึ่งเมฆหนาหนาสองหมอกสฝน สี่เทพราหูเนี่ยนะก็เรียกว่าเทพราหูก็ทาให้ดวงอาทิตย์เนี่ยส่งแสงอ่อนได้เหมือนกันขอถวายพระพรดวงอาทิตย์มีโรคอยู่สอย่างเหล่านี้และซึ่งอาทิตย์ถูกโรคอย่างใดอย่างหนึ่งแห่งบรรดาโรคเหล่านี้บีบคันแล้วก็ส่งแสงอ่อนไป พระเจ้าเมรินก็บอกหน้าอัศจรรย์พระขุนเจ้าหน้ากรเกษนหน้าแปลกใจจริงพระขุนเจ้าหน้ากรเกษนข้อที่พระแม้พระอาทิตย์มากไปด้วยเดชก็ยังมีโรคเกิดขึ้นได้โรคก็คือสิ่งที่ทําให้ดวงอาทิตย์ส่องแสงได้อ่อนนะนะจะป่วยกล่าวไปยัยถึงสัตว์อื่นเล่านะคนมันก็ต้องป่วยเฟส น, นะนะอย่างงี้ยนะพระขุนเจ้ายกเว้นผู้มีความรู้เช่นท่านเสียแล้วบุคคลอื่นหามีอันจะจำแนกปัญหานี้ได้ไห่ คือก็ท่านก็ใช้ไอ้คำาโรคนี่แปลว่าเสียดแทงหรือเบียดเบียนนะสิ่งที่เบียดเบียนไม่ใช่คําโรคแปลว่าทําให้ป่วยแบบที่เราคิดนะแต่ว่าสิ่งที่เบียดเบียนทําให้ดวงอาทิตย์สว่างไม่มากหรือว่าแดดไม่แรงอนะ